เท้าสาก่าก็แปลงเป็นพรามแปลงเพศเป็นพรามเป็นคนตาบอดมีกายสันนีกายสันผมหงอกหนังย่อนหนังย่อนนะนะกระสับกระส่ายเพราะชราเข้าไปเฝ้าพระราชาในการนั้นอินทพรามนั้นนะนะประคองแขนทั้งสองประแคนแขนทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาปนมอัญเชลีไว้เนื้อเสียนเรียกว่ายกมือไหว้ท่วมหัวแบบนั้นได้กล่าวคํานี้ว่า ข้าแต่พระมหาราชาผู้ทรงธรรมพระองค์น้สกพระองค์ทรงปกครองรัฐให้เจริญข้าพระองค์เนี่ยจะขอกะพระองค์เกียรติคุณคือความยินดีในทานของพระองค์เนี่ยฟุ้งไปแล้วในเทวดาและมนุษย์ที่จริงอะ น, นะบอกว่าโอโ้พระองค์นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงเหล่าเทวดานะว่าพระองค์เนี่ยเป็นนักให้เพราะฉะนั้นหน่วยเครวัดดวงตาทั้งสองของข้าพระองค์บอดเสียแล้ว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 อำ น, นาจขนาดนั้นนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นยังไงเราได้ฟังคำของพราหมณ์แก่นั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจนะดีใจที่ที่จะได้ให้แต่สลดใจว่าทำไมเมื่อก่อนไม่เคยคิดอย่างนี้ก็เลยประคองอัญชลียกมือทั่วหัวยกมือพนมมือเลยนะปีเตและปราโมทเป็นอันมากได้เกิดขึ้นเราได้กล่าวคำนี้ว่าเราคิดแล้วลงจากปราศาสตร์มาถึงในที่นี้ณนะบัดนี้เอง ท่านนี้รู้จิตของเรามาขอดวงตาของเราโอ้ความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วความคิดของเราบริบูรณ์แล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่เราไม่เคยให้แก่ยาจกมันผูมาขอเราจะให้ของที่เรารักที่สุดในโลกของการดูเนี่ยนะดวงตาเนี่ยเป็นที่ทนุถนอมที่สุดเราจะให้สิ่งประเสริฐนี้ก็เลยเรียกหมอว่ามานี่แนะหมอศิวิกะ จงขมีขมันยาชักช้าอย่าครั่นค้ามจงควักดวงตาทั้งสองของอทั้งสองข้างออกให้แก่วันนี้พคนี้เดี๋ยวนี้หมอสีวกานั้นเราเตือนแล้วเชื่อฟังคำของเราได้ควักในตาทั้งสองออกเหมือนอเหมือนดุดจาวตาเน่นะควักดวงตาให้ออกให้แกยาจบทันทีเมื่อเราจะให้ก็ดีปุพหะเจตนา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 คือเป็นชื่อของแคว้นี่ยนะสิวิตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของแควนผันผู้ใดที่เป็นพระราชาของแควนนี้จะเรียกว่าศิวิราชทั้งหมดพระโพธิสัตว์นั้นมีชื่อว่าศิวิกูมานก็คือลูกของชาวสิวิอันนะพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยก็เสด็จไปยังตักศกิลาเล่าเรียนศิละปะสําเร็จแล้วก็กลับมาแสดงศิละปะแก่พระราชบิดาพอพระพราชบิดาพอพระทัยก็แต่งตั้งให้เป็น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 ถ้าเป็นวันแปดค่าเนี่ยนะถ้าเดือนขาดก็สิบสี่ค่ำถ้าวันเทนก็สิบห้าค่ำพระองค์ก็เสด็จไปยังโรงทานด้วยพระองค์เองตรวจตราโรงทานนะแปลว่าแปดวันหนึ่งครั้งทุกแปดวันนี้จะต้องตรวจโรงทานอยู่คราวหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งในวันสิบห้าค่ำแต่เช้าตรูก่ก็คือพระองค์ได้ตื่นมาแต่เช้าตรูก่ก็คือตื่นตีสี่ตีห้าเป็นต้นนัพระองค์ก็ประทับนั่งบนพระราชบาลัง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 เราจะต้องให้ทานในภายในเพราะจะยังจิตใจของเราให้ยินดีฉะนั้นเนาะในเวลาที่เราไปในโรงทานขอให้มีผู้ขอว่างนันผู้ขอก็ไม่ต้องขอวัตถุภายนอกแต่ขอให้ขอแต่วัตถุภายในนะยกยจะขอทรัพย์ภายนอกเลยขออวัยวะภายในเถอะอธิบายว่าถ้าหากว่าใครๆพึงขอเนื้อหรือขอเลือดในร่างกายของเรา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 ปันดุกรรมพลศิลาอาดของเท้าส ก, กะก็แสดงอาการเร่าร้อนเท้าส ก, กะนั้นก็รำพึงถึงเหตุนั้นได้เห็นอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ว่าพระเจ้าศิวิราชนี้ทรงคิดอย่างนี้ว่าวันนี้หากมีผู้มาขอดวงตากับเราเราก็จะควักดวงตาให้เขาเท้าส ก, กะก็ตรัสแก่เทพบริษัทธ์ว่าเราจะทดลองพระโพธิสัตว์ดูก่อนว่า สามารถจะให้ดวงตาจริงอย่างที่ตัวเองคิดในใจหรือไม่วันนั้นพระโพธิสัตว์ก็สงสนานด้วยน้ำหอมส6บหม่อสิหม่มอก็แสดงว่าเอ้เกาก็คือส6ภาชนะนะคือตักอาบไม่มีฝักบัวแบบสมัยนี้มั้งเนาะพระองค์ก็ประดับประดาด้วยสับพ้าอลังการประทับนั่งบนคอช้างพระที่นั่งตกแต่งที่ตกแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์เสด็จไปถึงโรงทาน วันนั้นท้าสักกาก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์ตาบอดเป็นคนแก่งง่วงเงินเเหยียดแขนทั้งสองที่เนินแห่งหนึ่งให้อยู่ในคลองจักสุขของพระโพธิสัตว์ก็เหยียดแขนจะต้องให้คนมองไอคนเห็นน่ยนะแล้วก็ยืนถวายพระพรด้วยใชย้ให้พรถวายชัยมงคลก่อนให้พระราชาเนี่ยพระจำเริญเหมือนนะขอทรงพระเจริญน่ยนะพระองค์ใครเจริญกันแน่นะนะพระโพธิสัตว์ก็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 แต่ว่าวิธีขอเนี่ยคนขอเขาฉลาดขอวิธีขอก็ต้องเอาอะไรมาค้ำค้ำคนรับก่อนนะนะว่าชาวโลกทั้งสิ้นแพร่สะบัดไปไม่ขาดสายด้วยการประกาศเกียรติคุณอันสูงส่งอัธยาศัยในการให้ทานของพระองค์ชมจริงๆเลยนะพระองค์เ่เป็นนักให้เป็นผู้มหาบริจาคอะนะผู้เสร็จจะเรียอะไรอะไรเนะอะกันนะ่นะก็เลยบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนตาบอด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 ที่จริงคนแก่ตาบอดมันก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมแต่คนหนุ่มตาดีเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะนี่ตาบอดไปขอดวงตามานะนะจะใช้ได้สักกี่วันเชียวนาะกันะนะก็เลยตาเป็นเป็นคนชาราตาบอดเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยการนั้นเท้าสากะก็ประคองแขนทั้งสองข้างประนมอัญชลีเนื้อเสียนแล้วก็ยกมือไหว้หท่วมหัวกล่าวคํานี้ว่าข้าแต่พระมหาราชผู้ทรงธรรมปกครองรัฐให้เจริญ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 คือไม่ได้ทรงเห็นแม้วัตถุภายในที่ยังไม่ได้สรงให้คือที่ไม่สามารถให้ได้เหมือนวัตถุภายนอกนึกไปเนึกมามีอะไรบ้างนะเถท่านสำรวจในกายของท่านแนละ้วว่ามีอะไรบ้างที่เราให้ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าแม้ดวงตาเราก็จะควักให้ไล่ดูเถิดไล่ดูในร่างกายมีอะไรบ้างให้ไม่ได้ห้วงแหนทนุทถนอมเหลือเกินให้ได้หมดเลยจะบอกอะไรก็ให้ได้หมดนะนะว่า ง, งั้นอธิบายคาว่า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 พระโพธิสัตว์พอฟังอย่างนั้นก็ดีพระไถยดีใจมากเกิดปีติอย น, นีเกิดกําลังใจอย่างว่าเรานี่ประทับนั่งบนปราสาสตอย่างนี้มาเดี๋ยวนี้นี่เองพรามนี้ผู้ขอดวงตาเหมือนรู้ใจเราเป็นลาบของเราเสียจริงเนาะเราได้ดีแล้วเนานวันนี้ความปรารถนาของเราจักถึงที่สุดเห็นนะว่าคนที่เขาให้ทานเขาปรารถนาที่จะให้มาก่อน ไม่ใช่อยู่ๆแล้วใช้ปฏิพาณไหวพริบให้ได้ปิ๊งเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายเข้ามาเขาตั้งใจไว้แล้วสมาทานไว้ที่จะให้ตั้งใจที่จะให้ปรารพที่จะให้น้อมไปเพื่อจะให้เพราะฉะนั้นเราจากให้ฐานที่เราไม่เคยให้ภาษาสดาประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าเราได้ฟังคำของพรามนั้นแล้วทั้งดีใจและสลดใจประคองแขนทั้งสองมีปีติและปราโมทได้กล่าวคานี้ว่า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 คำว่าหัดโถก็คือดีใจมากนะที่เขามาขอแต่ก็บอกว่าสังวิคมาณโสสดใจว่าพราหมณ์นี้ขอดวงตาเราเหมือนรู้ใจเราที่บอกว่าสลดใจเนี่ยทําไมเนาะเราไม่คิดอย่างนี้มาตลอดการเพียงนี้เมื่อก่อนเราไปคิดอะไรอยู่ทาไมเราไม่คิดจะให้แบบนี้บ้างเรานี่แหมมัวแต่ประมาทนอ้อที่ประมาทก็เพราะไม่เคยคิดจะให้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 ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าพรามนี้ของขอดวงตาแม้ใครๆก็ให้ได้ยากกะมาขอสิ่งที่ข อ, อ, อสิ่งที่ให้ได้ยากแก่เราเหมือนรู้ใจของเราน่ากลัวจะมีเทวดาคนหนึ่งแนะนำมาหรืออย่างไรจะถามดูก่อนนะในชาดกในชาดกก่อนจะให้ น, นะชาดกเมีอธิบายว่าดูก่อนมานวันิพก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 เพราะว่าท้าวส ก, กะาทราบว่าดวงตาจากสำเร็จบริบูรณ์แก่พราหมณ์นี้ด้วยอุบายนี้แน่ก็คิดว่าเราจะไม่ควักดวงตาให้ที่ตรงนี้เลยหรอกก็เลยพาพราหมณ์เข้าไปในภายในพระนครนั่งบนพระราชอาดัดเรียกหมอหมอศิวกะมาว่าลำดับนั้น น, น, นะนะคือคือบอกว่าจะให้ดวงตากลางทางใช่ไหมมหาชนก็ได้ยินข่าวเพราะนั้นก็เกิดเออกระิ ก, ก, ะกโกลาหลนทั่วพระนครว่า พระราชาของพวกเรามีพระประสงค์จกควักดวงพระเนตรให้แก่พราหมณ์พวกราชพันลบคนใกล้ชิดพระราชาทั้งหมดพระญาติทั้งหมดเสนาบดีเป็นต้นแม้กระทั่งเหล่าอมาตะบริษัทชาวพระนคร น, นางสนมทั้งหมดก็มาประชุมกันประชุมอนุโมทนาใช่ไหมตรงกันข้ามทูลห้ามพระราชาโดยในต่างๆที่ไหนได้นี่ก็จะมาอนุโมทนานะมาห้าม